อ๋อเดีจะพูดถึงเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิลักษณะของจิตนั่นนะมันมีหน้าที่คิดคิดแล้วก็รู้ว่าคิดนั่นตัวสังขารตัวคิดแล้วก็มีตัวรู้คือตัววิญญาณน่ะมันรู้คิดแล้วก็รู้ว่าคิด แต่ I ER I <AL> ี่จิตของคนเราดิมันคิดได้ทีละอย่างคิดได้เรื่องเดียวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็คิดได้เรื่องอย่างเดียวอะทีนี้จิตของคนเรานดิมันไม่คิดเรื่องเดียวเนี่ยไม่คิดเรื่องนี้แล้วก็กระโดดไปคิดเรื่องน้น อ, อีกไปต่อไปเรื่อยๆท่านเปรียบมันลิงจิตของคนเราเปรียบมันลิง ลิงนี่มันห้อยโหนจากต้นไม้กิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งอยู่นิ่งไม่ได้ลักษณะของจิตมันคล้ายลิงไงเคลื่อนตัวอยู่เลยหรือไม่ก็เหมือนกับเด็กเล็กๆนะเด็กเล็กเต็มอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทำไปนู่นไป น, นี่ดิ่นอยู่เลยตลอดเวลาเด็กๆนี่เราจะบอกให้มันอยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวมันอยู่เลยไปนู่นไปนี่นั่ น, นลักษณะของจิต ลักษณะของจิตของเด็กมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทําตามทําทํามอำนาจของจิตไปเลยมันอยู่นิ่งไม่ได้อ่านั่นนะอ่าที น, นี้อ่าเราจะทําเรื่องของสมาธิเนี่ยเรื่องของสมาธิคือว่าเราจะต้องการใช้จิตมันให้จิตมันทํางานนะให้จิตมันทํางานคือว่าให้จิตมันมาคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ให้นานๆให้อยู่ได้นานๆเนี่ยไม่ห้ไปคิดถเรื่องอื่นทำยังไงถึงจะคิดในเรื่องเดียวให้นานๆนนแล้วก็ให้จิตมันแนบแน่นอยู่กับความคิดอนัน น, น, เนัเนี่ยนี่คือเรื่องของสมาธิเนี่ยนีย่นี้ก็อันนี้เราก็ต้อง ม, รร ม, มีกรรมฐานีกรรมฐานกรรมฐานคือให้สิ่งที่ให้จิตมันมาเกาะ ต้มีกรรมฐานก่อนนี่กรรมฐานเรื่องของกรรมฐานนี่ก็มีเป็นสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานแยกกันสมถะกรรมฐานนี่ถ้าผูกฤษีนี่เขาจะเอาวัตถุภายนอกเป็นตัวกรรมฐานเป็นให้เป็นตัวที่ให้จิตเป็นเครื่องเกาะเช่นว่าเอาเอาดินเอาดินมาทําเป็นดวงกสินหรือเพ่งน้ํา เพ็งไฟเพ่งแสงสว่างหรือ ว, ว่าเพ่งสีต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองอันนี้ก็ใช้วัตถุภายนอก เ, เครื่อง เ, เครื่องเกาะขอจิตเป็นตัวกรรมาฐานทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเขาต้องการเอาจิตไปใช้งานข้างนอกไปบังคับธรรมชาติภายนอกบังคับธาตุธาตุต่างๆภายนอกให้เป็นไปนตามที่เขาต้องการนะ อนนั้ลักษณะของกรรมฐานของฤษีครับทีนี้ลักษณะของกรรมฐานของพุทธจาเรานี่เราเอาเรื่องของภายในของร่างกายเรานี่ของกายเราเนี่ยเป็นเป็นที่เกาะวัจจิตได้แก่สติปัฏฐานเนี่ยคือว่ากายหรือเวทนาหรฤตุจิตฤตุธรรมะนี่เรียกว่าสติปัฏฐานนี่เราเอาตัวพนี้ เอาของจริงในตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องเกาะของจิตเลยทีเดียวอันนี้แต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นภาวนาเนี่ยเรายัางหาอะไรไม่เจอนอกจากกายของเราที่ตั้งอยู่เนี่ยนี่เราก็เอา ก, กายของเราเนี่ยเป็นเครื่องเกาะของจิตอา่าวนี้เราก็ต้องมีกรรมฐานกรรมฐานหลักในครั้งพุทธการก็มีสองกรรมฐานนะคือกา ย, ยกับตาสติคือว่า ขนผมและฝันหนังเป็นต้นเลยอาการสามสิบสองทั้งหมดอันนี้เป็นกรรมฐานหลักต่อมาพระุทธเจ้าก็ให้กรรมฐานหลักอีกอันคือลมหายใจอานาปานสติลมหายใจก็จักเป็นกายเหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของกายถ้าเรียกว่ากายอย่าสังขารคือว่ามันปรุงแต่งกายอีกทีหนึ่งเป็นเป็นสังขารที่ละเอียดะนี่อันนี้เราก็ใช้ อ่ากายนี <mister ius> ่เป wow. okay. ah okay. ็นกรรมฐานนี่อัตมาที่สอนนี่ก็ใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักนี่ฝ่ายสมถะนี่ฝ่ายวิปัสสนาแล้วก็มีกรรมฐานหลักมันก็คือกายมันก็นี่แหละคือธาตุสเนี่แหละธาตุสีก็เรื่องของกายเนี่แนละอันนี้จะมองให้เห็นเป็นลักษณะของว่าเป็นเป็นธาตุสีมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนวเป็นสิ่งัตว์ไม่คนไม่เราไม่ใช่ของเราหรือว่าขันห้าก็ตาม หรือว่าอายุชะนะสิสองก็ตามอันนี้เป็นเรื่องของกายเท่านั้นเล ย, เ, ยเป็นความจริงของของกายเราเนี่ยนี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของกายกระจของเราเนี่อันนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เราจะต้องมีกรรมฐานหลัก แล้วเราจะฝึกจิตของเราเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมฐานหรือกว่าสติปัฏฐานนี่แหละอ่าตอนนี้เรื่องของสมาธิเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันถึงมันถึงให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นได้อันนี้เราก็ต้องมีมีมีแรงขับดันจงร้องทาไม่ใช่อยู่เฉยจะเป็นก็นมาได้ไม่ใช่เงน้ยนะต้องมีการฝึกมีมีแรงขับดันตัวที่ เป็นแรงขับดันก็คือความเพียรท่านเรียกว่าสมมติทานสมมติทานก็มีอยู่สี่อย่างสี่อย่างสมมติทานคือความเพียรเนี่ยอันแรกก็สังวรประทานว่เพียนกั้นกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นมาความชั่วต่างๆบาปกรรมต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นมาในจิตในใจของเราที่มันยังไม่เกิดก็จะไม่ให้มันเกิดอันที่สองก็ประหาร ประทานก็เพี้ยนกำจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามกําจัดให้มันหมดไปนะความชั่วต่างๆ่อันที่สามก็ภาวนาประทาน <c oughs> เพียนทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้เสียงความดีต่างต่างที่ยังไม่เกิดทําให้มันเกิดขึ้นอันต่อไปก็อนุรักษนาประทาน <c oughs> เพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ ง, งอกงามไพฑูรยยิ่งขึ้น สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามทําให้มันมากขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรเป็นแรงขับดันในการภาวนานไม่มีอย่างอื่นอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าจะทําให้มันเพลินสนุกสนานไม่ได้ ม, มันก็ไม่เกิดเท่านั้นนะเพราะนันจะต้องใช้ความเพียรความอดทนเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังนี่นี่จะทำยังไงก็ทําให้มากต้องทําให้มากจะเลิญให้มาก จนกระทั่งจิตมันแนบแน่นกับตูวกรรมฐานเนี่ยอืต้องทําทําให้มากจเจริญให้มากใช้ชั่วโมงบินเท่านี้นะต้องทําให้มากทีเดียวไม่ใช่ว่ามาทำประเดียบะดา้ามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นต้องเอาจริงเอาจังทีเดียวออย่างเรานี่ต้องมาเข้าคอร์กันเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังทั้งวันนะวันตั้งหลายชั่วโมงต้องเจ็ดชั่วโมงอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงวันวันเนี่ยอันที่จริงต้องทํากันต่อตลอดไปเลยทีเดียวตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดชีวิตของเราเลยีเนี่ย ต้องทําให้มากจเจริญให้มากผมเพิ่งจะเกิดมันเป็นการฝึกอะมันไม่ใช่การไม่ใช่การเรียนธรรมดามันเรียนหนังสือรู้เรื่องแล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่งี้ยไม่ใช่เรียนแบบทฤษฎีอันนี้เป็นการปฏิบัติเนี่ยต้องฝึกให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นจริงๆริงนะต้องให้ชํานาญจริงๆมันเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่แล้วดูกีฬาเป็นแล้วจะเล่นเป็นมาได้ไม่ได้ไม่ใช่ลงไปเล่นก็เล่นไม่ได้นะต้องฝึกฝึกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีมัน วันะหลายหลายชั่วโมงมากกันนะการฝึกเรื่องราวต่างๆทั้งหมดน่ะแต่จะในในด้านปฏิบัตินี่ต้องฝึกกันจริงๆอย่างจังอาศัยความชานาญต้องทําไปจริงๆอย่างจังทำให้มากเจริญให้มากจนจิตนั้นแนบแน่นกับกรรมฐานต้องทําให้ชํานาญในการเข้าเข้าจิตในการออกออกจิตนะแล้วการพักจิตอแล้วก็ในการใช้ปัญญา พิจรารณาพิจารณาใช้ปัญญานี่อันนี้เราเรียกว่าเป็นการทําสมาธิการทําสมาธิอีกอย่างหนึ่งท่านเขเรียกว่าการเข้าจิตในภาษาในภาษาในภาษาธรรมะบางครั้งท่านไม่เรียกว่าทําสมาธิท่านเรียกว่าเข้าจิตไม่ว่าทําจิตให้มันมารวมตัวกันมารวมตัวกัน ให้แนบแน่นจนกระทั่งเดินเข้าสู่ฐานของมันจิตของมันมันมีฐานของมันมันเข้าสู่ฐานของมันเราต้องการอันนั้นต้องการต้องการจิตให้มันเดินเข้าสู่ฐานจุดมุ่งหมายของการทําสมาธิในพุทธศาสนาก็คือว่าไอ้จิตของเราเนี่ย่ะมันคิดมาผิดๆเนี่ยเรื่องของกิเลสเนี่ยเรื่องของอวิชชาก็รตัวไม่รู้เนี่ยอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ย มันทําให้จิตเราคิดมาผิดๆนะเพราะฉะนั้นเราถึงมาเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยมันโปรแกรมมาผิดๆจิตของเราเนี่ยมันโปรแกรมมาต้องถฐานท้องเครื่องนะมันทําผิดๆมาแล้วนี่เราก็ต้องต้องไปแก้โปรแกรมมันใหม่ทีเดียวมันก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะต้องไปแก้โปรแกรมมันใหม่ก่อนจะแก้โปรแกรมใหม่ได้เนี่ยเราต้องล้างโปรแกรมเก่าซิอ่ะนี่การล้างโปรแกรมเก่าก็คือตัวสมถะนี่ยนะตัว ต้องเอาสติเนี่ยเข้าไปเข้าไปล้างมันจนกระทั่งถึงฐานของเครื่อง น, นนะฮะนี่แหละมันเหนื่อยตรงนี้แหละตรงนี้อนะเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็โปรกแกรมใหม่เข้าไปนีนะอันนี้มันเหนื่อยตรงนี้เนะราต้องเข้าไปถึงฐานเครื่องนะฐานเครื่องพัฒจิตของคนเราเนะี่ยมันแบง่งออกเป็นหลายหลายชั้นนะนะจิตของคนเราเนี่ยแบ่งจิตของเจิตสมนึกจิตสมนึกก็คือจิตที่เราตื่ตนตื่นนะี่แหละรู้สึกสมนึกคิดนี่แหละ อันนี้เป็นจิตสํานึกจิตอยู่ตื้นที่สุดอ่าแล้วก็จิตเก่งํานึกนะเก่งํานึกก็ตอนที่เราฝันนั่นนะครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นนะอนะ่แล้วก็จิตใต้ํา น, นึกคือตอนที่เราหลับสนิทน่นนะอ่านะอันนั้นอ่าเราจะต้องอ่าทําสติเข้าไปควบคุมให้ได้ถึงลึกขนาดถึงจิตใต้ํานึก น, นะเพราะฉะนั้นมันถึงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องไ ง, ไง่ายๆทีเดียวต้องฝึกกันจริงๆอย่างจริงทีเดียวเอาก็จริงๆอย่างจังทีเดียวไม่อย่างนั้นมันก็เข้าไปหน่อยมันก็หายไปแล้ว หมดแล้วเคลิ้มไปแล้วอ่ามันไปไม่ไหวกําลังไม่พอเข้าไปไม่ถึงใต้ธรรมนึกทีเดียวนะ่ะเรื่องของกิเลสเนะี่ยมันไม่ใช่ไปอยู่ผิวเผินเท่านั้นเองอนะ่ะอืมมันต้องเข้าไปถึงใต้จริงๆริงใต้ธรรนึกจริงๆรนะ่ะนั่นแนหะอันนี้เป็นวัตถุวัตถุประสงค์ของการที่เรามานั่งภาวนากันเนะนี่ยนี่อันนี้เราจึงจะมีความสุขได้แท้จริงนะเพราะการกระทําอย่างนี้น่ะนะ ต้องใช้ทั้งศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยเต็มที่เลยีเดียวเนี่ยพุทธเจ้าท่านวางแบบฉบับไว้ให้เราอาให้เราวางเทคนิคว่าให้เราทําอำนี่แหละเราก็เดินไปตามที่พระองค์สอนนะมันจะเป็นไปนเองเนี่ยถ้า ต, ต้องใช้ความเพียรความพยายามอืมอ่าต่อไปนี้เรานั่งภาวนากันต่อไป